พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9มิถุนายน2560มีชื่อเรื่องว่าถ้ามั่นใจให้ครองผ้าอธิษฐานธรรมวันนี้เป็นวันที่9 มิถนายนพุทธศักราช2560เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7เดือน7แผ่นวันนี้จากใี้ไปอีกหนึ่งเดือนทะกว่าหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันเพราะว่าการเข้าพรรษานะต้องแรมค่ำหนึ่งนะเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้ก็พวกเราได้ลงอุโบสถ ผ่านไปจบลงไปพระทั้งหมด41รูปที่มาลงอุโบสถในวันนี้แต่ถึงยังไงแก่งที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าพาเนลูกหลานทุกองค์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็เป็นการเข้ามาเพื่อหวังบุญกุศลธรรมากกว่านั้นก็มอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา อย่างหลวงพ่อรน่หลวงพ่อมอบ ก, กายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสน า, ามาถึงจุดนี้แล้วหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจมาแต่ผ้าน้อยผ้านุ่มถึงจิตใจมันจะแปรไปยังไงเราก็พยายามประคับประคองได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาพิจารณากันกลองไตรตองทบทวนในใจของเราอยู่ตลอด เราจรึงในผ่านอุปสรรคนานับประการมาถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้หลวงพ่อก็พูดได้ว่าชีวิตของหลวงพ่อผ่านอะไรมามากมายพอสมควรอย่างชโชคโสนพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดแต่ถึงยังไงพระเนรลูกหลานของหลวงพ่อก็เหมือนกันกว่าที่จะผ่านฝ่าฟันอุปสรรค ในชีวิตของตนเองก็คงจะไม่แพ้หลวงพ่อเหมือนกันเว้นเสียแต่ว่าพวกเรามีบุญวาสนาบา ร, รมีที่เหนือกว่าอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งที่เหนือกว่าคืออะไรคือดรบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติพอเข้ามาบวชในชาตินี้ก็เบาบางเต็มทนการบำเพ็ญของเราก็พร้อมที่จะได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลอันนั้นแปลว่าเป็นผู้เต็มเปี่ยมมาด้วยบารมี อันนั้นก็มีเ พ, มเพราะบำเพ็ญมาในครั้งพุทธกาลหรือในาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนบาเพ็ญมาแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าของเราก็ได้บำเพ็ญแต่ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผล เ, เราก็ตายก่อนซะพอเกิดขึ้นมาพบนิชาินี่เราก็พยายามทําต่อบุญบารมีของเรายังต่อเนื่องสืบเนื่องอยู่อันนั้นเป็นไปได้ ที่พวกเราจะบำเพ็ญแล้วจะได้สำเร็จมรรคผลด้วยเร็วหรือว่าสมความบุญ ม, มาตปราถนาไม่ยุ่งยากะพราะเราได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราได้บำเพ็ญมาอยู่แต่ยังไม่มากยังไม่แก่กล้าพออันนี้เราก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคจะต้องมีอุปสรรคนานับประ ก, การอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามต้องยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาพาดําเนิน อ, องค์หลวงตาที่ท่านได้ประกาศตัวของท่านเองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้ทราบท่านบําเพ็ญมาอย่างไงท่านคนนี้เรื่องการอดนอนผอนอาหารอดอาหารคือเป็นแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาผมก็ได้เดินตามแนวแถว องหลงตาเหมือนกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่ร่างกายรูปภาพของผมมากปกผอมมากกว่านั้นไปอีกที่อันนั้นยังพอมีน้ำเนื้อนะแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ในยุคสมัยนั้นนั้นนะเพราะว่าบ้านเมืองก็ยังไม่เหมือนอย่างนี้ก่อนที่จะเห็นกล้องถ่ายรูปก็ยังยาก แต่อีกอย่างหนึ่งดวงตาก็ดุกอีกต่างหากถ้าเห็นกล้องถ่ายรูปเพิเพิมไม่ให้พระยกกล้องถ่ายรูปอยู่ต่างหากถ้าเห็นพระถ่ายรูปไล่นี่ออกจากวัดทันทีสมัยนั้นแต่เป็นพระวัดไหนก็าตามถ้ามาถือกล้องถ่ายรูปนานๆแล้วต้องไล่ออกจากวัดทันทีไม่ให้มาใกล้แถบนั้นแะแปลวงแตกดวงตาถือเรื่องขนาดนั้นเพราะนั้นเราจะมาเด็ดถือความสําคัญในเรื่อง ถ่ายต่อมาหลวงตาก็อนุมัติอนุญาตเขาถ่ายก็เป็นเรื่องของญาติโยมแต่ที่ยังไงไม่ไมให้ไม่ให้เกี่ยวข้องถึงพระถ้าพระถ่ายรูปแล้วมันเป็นจานจ้องมองดูในรูปรูปเสียงกินรสนะพระไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วนะแต่เป็นศรัทธา ญ, ญาติโยมใครจะทำก็สุดแท้แต่พระไม่เกี่ยวนะอันให้หลวงตาอนุมัติอ น, ตอนุญาตนะเพราะนั้น ในยุคของผมยุคองหลวงพ่อก็อย่างที่ว่าหลวงพ่อก็อยู่แบบปานตรงผงไผ่แต่ถึงยังไงก็ตามการบําเพ็ญทางด้านจิตใจต้องอดนอนผ่อนอาหารอันนี้คืออดจริงๆไม่ใช่อดหลอกๆไม่ใช่อดหลอกๆเล่นๆไม่ใช่ว่า อไปเอาเชือกมัดผอกไปผูกคอตัวเองตายเอแล้วไปหากิ่นมันแก้วอยู่ในสวนคนโบราณเขาบอกว่าออมันผูกกรอกเอาละกูจะผูกคอตายแล้วที่ไหนเอาเชือกมัดยาวๆแล้วผูกคอตัวเองเนี่พอหิวหิวอาหารไปเข้าไปในสวนะไปหา กุยเกียร์หัวมันกินอยู่เอพอกลัวตายเามันหิวนะ่ะพอจากนั้นเขาเอเชือกอะไรเนี่ว่ามันทำมันยาวนักที่แท้ไปผูกคอตัวเองเลยพอจากนั้นเขาก็ได้ดึงกระชากเชือกตัวนั้นว่าเชือกมันมาจากไหนและที่ไหนโอ้ย่าไปดึงแรงกูมันเดี๋ยวมัดมัดโคคอกูมัดคือตัวเอง ตัวเองทำท่าจะผูกคอตายอแต่พอถึงถึงชาติชนเชือกเท่านั้นละเอะว่ามันจะรัดคอตัวเองนะอันนี้แหละอันนี้คล้าๆว่าหลอกคล้ายๆว่าทําท่าเก่งแต่กลัวตายอยู่นี่ก็เหมือนกันะการอดอาหารก็เหมือนกันทําท่าว่าอดแต่ไปกินอย่างอื่นฉันอย่างอื่นแต่ไม่ฉันอาหารมันก็ทดแทนกันได้ แต่เป็นยังไงการอดอาหารเราต้องอดจริงอาหารถิ่งไหนที่เป็นเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายของเราอย่างองค์ลงตาท่านบอกว่าขนมนมเนยพวกเนยพวกนมขนมหรือว่าของที่ส่งเสริมเรื่องการมราคะส่งเสริมกําลังพูดง่ายๆเป็นพระน้อยผนุมควรจะห่างที่สุดถ้าหากว่าไปจุดนั้นเข้าไปแล้วล่อแหลมต่ออาบัติ สังขาที่เสียข้อที่หนึ่งได้ง่ายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเองเป็นผ้าน้อยพ่อมผมก็ต้องระวังตามที่พ่อแม่ครูบาจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนะเนี่ยอันนี้ก็คือการอดนอนการอดนอนเป็นยังไงการผ่อนอาหารเป็นยังไงแล้วกการอดนอนวันสองวันเป็นยังไงสามสี่ห้าวันเป็นยังไง อดนานๆเป็นยังไงแต่่าถึงยังไงก็าตามการอดนอนถ้าไม่อดเเลยก็ไม่รู้นะเราต้องอดทดลองอดดูอย่างวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเราทดลองดูสิอดทั้งคืนเลยมีแต่เดินก็ น, นั่งยืนเดินนั่งจะไม่เองนกายแล้วกการอดอาหารทดลองฉันน้อยๆดูสิฉันไม่กี่คำแล้วก็หยุด แล้วก็อดเลยอดสองวันสามวันเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทดสอบทดลองดูหมดแล้วจิตใจเป็นยังไงพออดนอนหรือผ่อนอาหารก็ตามตอนนั้นต้งเพ่งมองมาทางด้านจิตใจอีกต่างหากไม่ใช่อดนอนผ่อนอาหารแล้วก็ไปดูแต่จุดนั้นไม่ใช่เราต้องมองเพ่งมองมาทางด้านจิตใจจิตใจเป็นยังไง ขณะที่เราอดนอนพอนอาหารเนี่ยจิตใจมันงุ่นง่านไม่อารมโมโหโกธาเกิดขึ้นไหมเป็นอย่างนี้กูบาลอาจารย์ท่านให้สังเกตทั้งนั้นอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านบอกว่าการอดอาหารของท่านเนะ่ยไม่ถูกกับท่านไม่ถูกกับการอดอาหารทัดเพราะปวดมันหิวเพราะหิวอูอ้มันทําอะไรไม่ถูกนะแต่หลวงตามหาบัวท่านบอกโอ้แต่ท่านถูกถูกเจริตในการอดนอนนะ่ง แต่หลวงตามาหาบัวเนี่ยบอกโอ้อดนอนเนี่ยเราทําไม่ได้พระอดนอนวันสองวันมันทื่อไปหมดเลยมันคิดอะไรไม่ออกถ้าเราอดอาหารอือจิตใจปลอดโปร่งคิดอะไรรู้สึกมันโล่งมันโปร่งมันร่างกายเบาสบายคิดอะไรมันรู้สึกมันสมองมันมันวิ่งได้ไม่ไม่มอืดอาดนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละอยากจะให้พวกพระลกูกพระหลานที่เข้ามาศึกษา เป็นพระกรรมฐานนะมาอยู่ที่นีนะ่อยู่อย่างนี้นะเราควรจะปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างไรแต่ถึงอยนงอนไดก็ตามถ้าว่าเรามองในอดีตละเรามองไปในอนาคตเราไม่มีเครื่องผูกพันอะไรทั้งหมดเราเป็นอิสระในตัวของเราเราพร้อมที่จะไปได้ในที่ทุกสถาน พ่อแม่ของเราขอมีญาติปี่น้องพร้อมแล้วก็อย่างอื่นนี่นอกจากตัวพวกเราท่านเองจะเอาอย่างไงในจุดนี้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่มีเครื่องผูกพันอะไรเรามองดูมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเครื่องผูกพันนี่แหละจุดนั้นแนหะเอาเถอะเราเกิดมากี่พบกี่ชาติมันก็มีแต่การเวียนว่ายตายเกิดแต่วัฏรสงสา ร, ร ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหัตถสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เราเห็นด้วยเกิดมาเท่าไรตายเท่านั้นความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ชาตินั้นคืออะไรเรามองไม่เห็นอย่างที่ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พูดหรือกล่าวอ่แต่ชาตินี้ขอให้เป็นชาติจุดท้ายของเราจากนั้นเราก็เนี่ยคองผ้าสโซเวียตบ่า เ, เข้าไปตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานเลย ขอข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตในชาตินี้ไว้ในพระพุทธศาสนาถึงจะภาวนาไม่เป็นถึงจะล้มลุกคุกคลานยังไงก็ตามถึงจะเป็นยังไงก็ตามขี้เกียจเดินนอคมนั่งภาวนาเป็นบางครั้งคราวเรีอกว่ามันขยนัน จ, จิตใจท้อแท้อ่อนแอขนาดไหนยังไงก็ตามแต่ถึงยังไงข้าพเจ้าขอขอมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนา ตลอดจะไม่เป็นอย่างอื่นในชีวิตนี้นี่แหละถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนี้นะหลวงพ่อเองถึงเราจะภาวนาไม่เป็นถึงเราจะท้อแท้ยังไงก็จุดยืนของเรายังมีอยู่สายใยของเราทวงถึงมรรคผลนผิพพานยังมีอยูออ่อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องพยายาม เ, เดิน โนเช่นเชื่อกขึ้นไปทึงจะโคดข้งองยังไงก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ไมยหลายเพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจและลอยไปตามเออระเหยลอยลมสเปะสะปะไปเรื่อยไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจที่แท้จริงอันนั้นเราจะไม่ถึงจุดหมายนะไม่ถึงจุดหมายปลายทางโพนิสูรล้มเลิกล้มเหลวได้ง่ายๆมีใครมาชักชวนยังไงก็เป๋ไป พอไปออกไปแล้วไปเจอที่สิ่งที่ ม, มันไม่ดีไม่พึงปรารถนาก็คิดหวนกลับมาถึงวัดอีกเลยโอ้ตายถ้าเราอยู่ในพระพุทธศาสนาสัเราเป็นพระเป็นนักบวชเราก็คงจะมีความสุขทางด้านจิตใจมากกว่านี้อันนี้เราทําไมหลงไหลมาอย่างไงมาถึงจุดนี้แต่ที่ไหนได้มันสายเกินไปเสียแล้วนี่ยสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนคิดดูให้ดีทบทวนให้ดี ไม่มีใครที่จะตัดสินใจแทนตัวของท่านแต่ละคนได้เรานั่ยเองเป็นผู้ตัดสินใจตจัดสินใจหรือตัดสินใจผิดหรือจัดสินใจถูกนะเราเท่านั้นเองแต่ห ล, ล, ลวงพ่อแนะนาอย่างนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าหลวงพ่อแนะนําในทางที่ถูกต้องในความรู้สึกของหลวงพ่อนะแต่ลูกหลานทั้งหลายอาจไปเน็ต คิดไปในทางที่หลวงพ่อแนะนําผิดก็ได้เพราะนานานาจิตตางนาน า, นาทัศนะแต่หลวงพ่อเสียใจไหมที่หลวงพ่อได้มาถึงจุดนี้หลวงพ่อจะควักหัวใจออกให้ดูเลยว่าหลวงพ่อมีความภูมิใจอย่างมากในหัวใจของหลวงพ่อมีความภาคภูมิใจมีความสุขในจิตใจที่ได้ดารงสงศาสนาผ่านมาอย่างนี้เราไม่ได้เบียดเบียนใครเราไม่ได้ลังแกใคร เราไม่ไดเอารัดเอาเปียบใครเราอยู่อย่างพระของพระพุทธเจา้าเราไม่ได้หวังลาบหวังยศหวังสารเสริญอะไรทั้งหมดถึงจะได้อะไรมาก็ตามอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องคิดว่าร่างกายของเราเร า, าจะทิ้งอยู่เราจะไปมุ่งหวังอะไรมีแต่มุ่งหวังธรรมเข้าสู่จิตใจเท่านั้น น, นี่แหละมุ่งหวังธรรมคำนี้นธรรม ไอ้อัดทำคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเข้าสู่จิตใจของเราเนะ่ยเลิศประเสริฐที่สุดดีกว่าได้อะไรมาทั้งหมดได้เงินร้อยล้านพนะันล้านผลใ้สุดกระแบ rem อเอาไปด้วยไม่ได้ถึงจะได้รับปในยศสูงขนาดไหนผลใ้สุดกระแบ rem เออกไปด้วยไม่ได้ขนาดร่างกายตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้และสิ่งอย่างอื่นะจะเอาไปได้อย่างไปด้วยได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดทบทวนดูให้ดีนะ ที่ผมบอกที่หลวงพ่อแนะนำบอกกล่าวให้ฟังเป็นไปอย่างนั้นไหมเจียงไหมให้พวกเรานั่งสมาธิซะก่อนพอจิตใจออกจากสมาธิซะก่อนจิตใจเน่งซะก่อนเมื่อจิตใจออกจากสมาธิแล้วยังมาคิดตามที่หลวงพ่อที่พูดให้ฟังเจริงไหมเป็นอย่างนั้นไหมหลวงพ่อเองก็มั่นใจเป็นเจียแต่พวกเรามีจิตเลสราคะโทสะโมหะ พอกผูนหัวใจอยู่มาคิดตามอาจจะเข้าข้างกิเลสตัวเองก็ได้เพราะกิเลสตัวเองมันอยู่ในหัวใจสักขยื้ไปตนเองตัวเองกิเลสตัวเองสักขยื้กับมายิ่งแรงกว่าเก่านะาี่ยผลได้สุดเลยสู้กําลังพลังของกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนเองไม่ได้ทําที่สั ก, สกขยื้ไปนะสู้กิเลสไม่ได้อันนั้นมันก็แปลว่ากิเลสเป็นผู้พานาคิดนะ แต่ถ้าว่าทําเป็นผู้นําคิดแล้วนะถึงยังไงก็ตามใช้หลักธรรมใช้หลักเหตุผลคือความสงบในจิตใจซะก่อนแล้วก็น้อมนึกมาหาม า, มาดูแนวความคิดของตนเองเนี่ยเน้นการเป็นอยู่ของตนเองเปรียบเทียบนอกก็คือทุกคนในโลกเนี่ยที่เราได้รู้ได้เห็นเปรียบเทียบในก็ย้อนกลับมาหาตัวเองว่าข้าพเจ้าจะเป็นยังไง อีกสักวันหนึ่งจะเป็นเอาใครเป็นตัวอย่างในที่เราเห็นนั้นมันต้องเป็นมีต้องมีตัวอย่างหนึ่งแน่ๆในเรื่องนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นให้พวกเรานึกดูเปรียบเทียบดูในเมื่อเปรียบเทียบดูเราเห็นแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองใี่ไหเออจากนั้นจิตใจไม่เบื่อม า, มากเบื่อหน่ายมากก็ต้องน้อยละไม่น้อยก็ต้องมากละ พทีธธ่ตัก็เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาเออชายทางนี้เป็นทางออกที่ดีที่สดุดในชีวิตของเราเราจะมองเห็นทางได้จากนั้นก็เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าให้ของผ้าสเวียงบาเอาไปตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าในชาินี้ ข, ข่าไปเจ้าขอพอกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเออ ใครจะเป็นยังไงใครจะร่ําจะรวยจะเป็นยังไงก็เอายกให้เป็นคนนั้นไปแต่ส่วนข้าพเจ้าจะเป็นนักพจ น, น์นักบวชให้ดีที่สดุดให้อยู่ในใ น, ในหลักพระธรรมวินัยให้ให้เป็นสากขยบุตรเป็นบุตรพระพุทธเจ้าให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นภูมมุ่งมั่นในหลักพระธรรมวินัยจะไม่ทําให้จิตใจเปละไ ป, ะปะทางอื่นเอให้มุ่งมั่นต่อมรรคผลในทานเท่านั้นนะ ถ้าเรามีความมูลมากหมุ่มันตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจเราเด่งลงทางเดียวนะเหมือนกับน้ำไหลลงทางเดียวนะมันกระแทกแรงนะมันไหลแรงนะเหมือนกับที่หลวงพ่อพูดนะเหมือนคนเอาเอาไฟเอาแก๊สลมตัดเหล็กนะทั้งที่มันไม่ใช่ของแข็งนะ สามารถตัดเหล็กให้ผ่านกระจุยขาดได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมันลงช่องเดียวมันไปทางเดียวนี่ก็เหมือนกัน่ะใจของเราถ้าเป็นไปในช่องเดียวมันเป็นพรังนะมันเป็นพลังที่จะตัดกิเลส ร, ราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราได้นะถ้าจิตใจของเรายังไงก็ได้ผ้าไปเรื่อยเนะลยเพราะในสุดก็เลยหาจุดยืนหาจุดจบไม่ได้เพราะในสุดลองลอยไปตามกิเลส ราคะโทสะโมหะไม่มีที่สิ้นจุดพระังขอฝากไว้กับพวกเราพระลูกพระหลานทุกองนะให้ทั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติตามแนวแถวของออพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาน ะ, ะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมกข์นะตัวนี้นะ